เรื่องเทียนสู้ลมครั้นเป็นสมเด็จพระพุทธจารย์แล้วท่านก็ยิ่งเป็นตลกมากขึ้นคอยไหวพริบในราชการแจจัดยิ่งขึ้นกว่าเป็นพระเทพกวีดูเหมือนคอยแนะนำเป็นปุโรหิตทางอ้อมอ้อมครั้งหนึ่งไปสวดมนต์ที่วังกรมเทวาวางเนือวัดระฆังพอพายเรือไปถึงท้ายวังเกิดพายุใหญ่ฝนตกห่าใหญ่ เม็ดฝนโตโตคลื่นก็จัดละลอ ก, ก็จัดสมเด็จพระพุท ธ, ธาจย์เอาโอต้นเทามาใบหนึ่งและจุดเทียนติดปากโอแล้วลอยลงไปบอกพระให้คอยดูด้วยว่าเทียนจะดับเมื่อใดพระธรรมทาวรเล่า ว, ว่าเวลานั้นท่านเป็นที่พระครูสังฆวิชัยได้เป็นผู้ตั้งตาคอยตามดูและเห็นเป็นแต่โอโคลงไปโคลงมาเทียนก็ติดลุกแว บ, บว่า ไปจนสุดสายตาเลยหน้าวัดระังก็ยังไม่ดับเรื่องสุนักไม่เห่าท่านเข้าบ้านแขกบ้านจีนส่วนใหญ่ๆเดินได้สบายไม่ต้องเกรงสุนักที่เขาเลี้ยงนอนควางทางท่านต้องก้มให้สุนักและยกมือขอทางเจ้าสุนักว่า ขอดีชันไปสักทีเถดจะ้ะแล้วก้มหลีกไปไม่ข้ามสุนักจะดุเท่าดุอย่างไรจะเป็นสุนักฝรั่งหรือสุนักไหหล่ำก็ไม่แหะไม่เห่าท่านมองดูท่านทำแต่ตาปริบๆมองมองเท่านั้นโดยสุนักจูที่ปากเปรอะๆก็ไม่เห่าไม่ห้ามท่านเรื่องผจญทะเลบา ครั้งหนึ่งสมโพธพระราชวังบนเขามหาสวรรค์เมืองเพชรบุรีสังการีวางดีกาท่านปเปรื อ, อยวนสีแจวออกทางปากน้ำบ้านแหลมเวลานั้นทะเลเป็นบ้าคลื่นลมจัดมากชาวบ้านในอ่าวบ้านแหลมช่วยกันร้องห้ามว่าเจ้าพระคุณอย่าออกไปจะล่มตายท่านตอบว่าไปจ่ะไปจ่ะท่านออกยืนหน้าเก๋ง เอาพัจีใบาตานโบกแวกลมหน้าเรือลูกคลื่นโตกว่าเรือท่านมากบางเรือมิดแต่ทางหน้าเรือคลื่นไม่มีลมก็แหวกทางเท่ากับแจวในลำท้องร่องน้าเรียกแต่น้ำข้างๆกระเซ็นบ้างเพราะคลื่นข้างเรือทั้งสองโตเป็นตลิ่งทีเดียวพระธรรมธาวรเล่าว่าเวลานั้นท่านเป็นพระครูปรหลัดไปกับท่านด้วยได้เห็นหน้าอัศจรรย์ ใจท่านหายหายดูไม่รู้ว่าจะคิดเกาะเกี่ยวอะไรสมเด็จพระพุทธจารย์ท่านยืนบกพัดเฉยคนก็เจ้าเฉยเป็นปกติจนเข้าปากน้ําเมืองเพชรท่านจึงเข้าเก๋งเอ็นกายชาวปากอ่าวเมืองเพชรเกรงบารมีสมเด็จท่านมากยกมือทุ่มท่ว ม, มหัวสรรเสริญคุณสมบัติของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตตลอดจนเจ้าขุนนางที่ตามเสมด็จคราวนั้นว่าเจ้าพระคุณสําคัญมาก จเจ้าฝ่าคลื่นลมกลางทะเลมาได้ตลอดปลอดโปร่งปราศจากอุทกอันตราย